เข้าใจหรือว่าทุกที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคงจะไม่ผิดพลาดเพราะเสียงท่านไม่มีจากนั้นท่านไปอยู่ที่ถ้าขามเพราะนว่าเสียงของท่านออกมีเสียงขึ้นมาท่านบอกว่าเข้ามาเดี๋ยวจะพูดอะไรให้ฟังเดี๋ยวนี้มีเสียงออกแล้วท่านนัะ้นนะสรุปแรกก็คือท่านอยากจะให้ธรรมะกับลูกพระลูกพระห ล, ลานคณศสัตยาญาติโยมอย่างมากๆที่ท่านได้รู้ได้เห็นอย่างไร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 กับเหมือนกับเราเข้ามาอยู่ในร่มต้นมะม่วงแดดออกเราก็อยู่ในความร่มเย็นอยู่ในร่มต้นมะม่วงแต่ถ้าหากว่าพ่อเรานั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจเป็นสมาธิเราจะได้ริมรดของมะม่วงได้ริมรดของมะม่วงด้วย